สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคำอธิษฐานวิงวอนลำดับที่6และ7ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปที่ลำดับที่6และ7นั้นผมขออนุญาตทบทวนลำดับที่5ด้วยครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับคนจางดาวผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกลเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ยินถึงพระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์และถึงพระหัตถ์อันมหิทธริตของพระองค์และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์เมื่อเขามาอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และขอทรงกระทําตามทุกสิ่งซึ่งชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์เพื่อว่าชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ดังอิสราเอลประชากรของพระองค์ยำเกรงพระองค์อยู่นั้นและเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์พี่น้องครับคอนเซ็ป หรือแนวความคิดของการที่พระเจ้าได้ให้โซโลมอนนั้นมีสติปัญญาและล่วงรู้น้ำพรไทัยของพระเจ้าในการที่พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าของอิสราเอลประชากรของโปร่งที่โปรง่ปรงทรงเลือกแต่เพียงชนชาติเดียวแต่พระคุณและความรักของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามหิทธาริศพระนามยิ่งใหญ่และประหัตอันเกรียงไกร และพระกรที่เหยียดออกนั้นก็เหยียดไปถึงคนต่างชาติหรือคนต่างดาวด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการประกาศพระนามของพระเจ้านั่นหมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความรักของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าความรอดของพระเจ้าตลอดจนความยุติธรรมความยิ่งใหญ่การพิพากษาของพระเจ้าก็จะ แผ่แพร่ไปถึงบุคคลเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลเพราะฉะนั้นเสียงต่างนั้นได้เกิดขึ้นมาเพื่อแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระเจ้าและเกรงกลัวพระองค์จะกลับใจเสียใหม่และจะเป็นประชากรเดียวกันกับธรรมิกชนของพระเจ้าตลอดจนธรรมิกชนของพระเจ้านั้นก็จะเป็นประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกับอิสราเอลครับเรารู้ครับว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกอิสราเอล ในพระกัมภี์ใหม่พระเจ้าก็เลือกอิสราเอลเหมือนกันครับในขณะเดียวกันพระเจ้าก็เปิดโอกาสในขณะที่อิสราเอลนั้นยังไม่ตอบสนองพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นชนต่างด้าวหรือคนต่างชาตินั่นเองพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเดิมทีนั้นเราไม่ได้เป็นอิสราเอลแต่ในเวลานี้เราเป็นประชากรของพระเจ้า เหมือนกับอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระองค์พี่น้องครับในข้อนี้ ท, ทาให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายนั้นจะต้องยำเกรงพระเจ้าเราจะต้องรู้จักพระเจ้าอย่างที่อิสราเอลรู้จักเราจะต้องเข้าถึงพระเยซู ย, ยิ่งกว่าที่เราเคยเข้ามาก่อนพี่น้องครับนั่นคือการแสวงหาน้ำมันไยของพระเจ้าจากพระโอชะของพระองค์ นั่นคือการที่เราจะต้องรู้จักพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราจะไปถึงบทวิงวอนหรือคำอธิษฐานวิงวอนประการที่6ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งพงกษัตรบที่8ข้อที่44ถ้าประชากรของพระองค์ออกไปทาสงครามต่อสู้ศัตรูของเขาทั้งหลายจะเป็นโดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตามและเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อพระเจ้า ตรงต่อเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และตรงต่อพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างสําหรับพระนามของพระองค์ขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของเขาและคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่พี่นองครับพระสัญญาของพระเจ้าในการที่เราจะครอบครองแผ่นดินแผ่นดินของพระเจ้าเราออกไปทําสงครามฝ่ายวิญญาณ อิสราเอลออกไปทําสงครามเพื่อที่จะ ย, ยึดดินแดนเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ดินแดนแห่งพันธ์ยาที่ขาดอยู่นั้นได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราเองก็เหมือนกันครับพระวจนะของพระเจ้าได้เรียกร้องให้เราออกไปทําสงครามฝ่ายวิญญาณและสงครามฝ่ายวิญญาณ น, นี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธภันธ์ทั้งชุดของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสพี่น้องครับเราคงทราบนะครับว่าขณะที่เราทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่ ขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่มันซาตานนํ้เนินวนเวียนอยู่รอบเราเสมอและมันพยายามที่จะหาโอกาสใช้ช่องต่างๆเข้ามาโจมตีชีวิตของเราบางทีอาจจะใช้คำพูดบางทีอาจจะใช้คนบางคนบางทีอาจจะใช้วาจากิริยาของใครก็ตามมาทำให้เราทั้งหลายท้อแท้ท้อใจ ขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เรามีความเชื่อที่ถูกต้องให้เรามีความรักของพระเจ้ามีพระวจนะของพระองค์และมีคําอธิษฐานเผื่อกันและกันความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะมาอย่างทันเวลาและทันท่วงทีเสมอพี่น้องครับโซโลมอนได้อธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้ารวมถึงพวกเราด้วยครับที่เราออกไปเพื่อที่จะทําสงครามสู้ศัตรูของเรา นั่นคือมารซาตานครับพระเจ้าจะท่งสดับคำอธิษฐานของเราและคำวิงวอนของเราและพระเจ้าจะประทานสิทธิอันชอบธรรมในการที่เราจะได้อยู่ในที่ที่พระเจ้าวางไว้เราจะได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์เราจะมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตพี่น้องครับเราจะไปถึงคำอธิษฐานวิงวอนประการสุดท้ายในบทดีในข้อที่46ครับ โปรดฟังโภชนะของพระเจ้าถ้าเขาทั้งหลายกระทำบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้กระทำบาปและพระองค์ทรงกลิ้วต่อเขาและทรงมอบเขาไว้กับศัตรูเขาถึงถูกจับไปเป็นเชลยยังแผ่นดินของศัตรูนั้นไม่ว่าใกล้หรือไกลแต่ถ้าเขาสำนึกผิดในใจในแผ่นดินซึ่งเขาได้ถูกจับไปเป็นเชลยและได้กลับใจ และได้ทําการวิงวอนตอพระองค์ในแผ่นดินของผู้จับเขาไปเป็นชเชลยทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทําบาปและได้ประพฤติชั่วร้ายและอย่างอัตรมถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดินแห่งศัตรูของเขาผู้ซึ่งจับเขาไปเป็นชเชลยและอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขาซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายคือเมืองซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้และ พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพันนำของพระองค์ขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานและคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงให้สิทธิทอันชอบธรรมของเขาคงอยู่และขอทรงประทานอาภัยแก่ประชากรของพระองค์ผู้ได้กระทําบาปต่อพระองค์และทรงประทานอาภัยต่อการทรยศของเขาทั้งหลายซึ่งเขาได้กระทําต่อพระองค์และให้เขาเป็นที่เมตตาของคนเหล่านั้นที่จับเขาทั้งหลายไปเป็นเชลย เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความเมตตาจากเขาเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงนําออกมาจากอียิปต์จากท่ามกลางเตาเหล็กขอพระเนตรของพระองค์ลืมอยู่ต่อคําวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำวิงวอนของอิสราเอลประชากรของพระองค์ขอทรงเงียบพระกันฟังเมื่อเขาทั้งหลายร้องต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงแยกเขา จากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินโลกให้เป็นมรดกของพระองค์ตามซึ่งพระองค์ตัดทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าในเมื่อพระองค์ทรงนำบนรรพบรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายออกจากอียิปต์พี่น้องครับเราจะจบในข้อที่53นี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายแลครั้งทีเดียวเราพ่ายแพ้ แต่เราไม่ได้แพ้สงครามนะครับเราพ่ายแพ้ในการรบย่อยๆแต่เราจะชนะสงครามในที่สุดพระกัมพีได้บอกว่าหลายหลายครั้งทีเดียวเราถูกจับไปเป็นเชลยนั่นหมายความว่าเราพ่ายแพ้ต่อศัตรูสิ่งที่เราจะต้องตรวจตราและดูแลชีวิตของตนเองอยู่เสมอนั่นคือตรวจจิตใจของเราครับว่าท้าทีในใจของเราเราได้ทำผิดต่อพระเจ้าหรือเปล่า เราได้ทำบาปอะไรกับพระเจ้าหรือเปล่าเวลาที่เราถูกจับไปเป็นเฉลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้งหลายคือการกลับใจครับพระเจ้าจะฟังคาวิงวอนของผู้ที่เสียใจกลับใจพระเจ้าจะดูแลชีวิตของประชากรของพระองค์และพระเจ้าจะทรงประทานอาภัยครับเมื่อเวลาเราทำบาปอาภัยเมื่อเวลาเราทาการตรยศในขณะเดียวกันครับ พระเจ้าจะอวยพรเมื่อเรากลับใจแล้วพระเจ้าจะเงี่ยบพักันของพระองค์ฟังคําร้องทูลของเราทั้งหลายแม้ว่าสถานการณ์จะย่าแย่แม้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวไม่เป็นใจแต่พี่น้องครับพระเยาวาพระเจ้าของเราผู้ทรงนําบรรพบุพ ร, บรุษของเราออกมาจากโคลนตม นำเราออกมาจากชีวิตที่ไร้สาระให้มาเป็นลูกของพระเจ้าให้มาได้รับความรอดนั่นคือพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เริ่มต้นการดีในชีวิตของเราแล้วอย่างไรพระองค์ก็จะทรงกระทาให้สำเร็จตามพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับเราจะต้องหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเราจะต้องพูด ให้กำลังใจซึ่งกันและ ก, กันเราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นพระพรต่อกันและ ก, กันอาเมน